พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทกันส่งสอนให้หมันพิจารณาการอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้ว ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีการพัพราดพลาดจากกันเป็นธรรมดา ล่วงพ้นการพัดผ้าจากกันไปไม่ได้ทรงสอนให้เราหมั่นเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่เราจะได้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเพื่อที่เราจะได้ หันเข้าหาธรรมะที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราทำที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะทำให้เรามีความสุขตลอดเวลาก็คือศีลสมาธิปัญญา หรศีล ส, สติสมาธิปัญญานี่เป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเพราะจะทำให้เรามีแต่ความสุขทำให้เราไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจส่วนร่างกายนี้จะต้องทำให้เรามีความทุกข์เพราะว่า ร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายกันอย่างแน่นอนวิธีที่จะทำให้เราเห็นความจริงของร่างกายเราก็ต้องไปดูความแก่ความเจ็บความตายกันเช่นไปเยี่ยมคนชราไปเยี่ยมคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและไป เยี่ยมคนตายไปดูศพของคนตายเวลาคนตายนี้เขาจะมีงานศพกันแต่สมัยนี้แทนที่เขาจะเปิดโรงให้เราไปคารวะไปเยี่ยมเยียนเขากลับปิดโรงศพทำให้เราไม่สามารถเห็นศพเขาได้เห็นแต่ภาพถ่าย ที่เป็นภาพในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่จึงทําให้เราไม่เห็นความตายกันเราควรที่จะไปดูศพกันบ้างเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนกับกระจกที่จะสะท้อนให้เราเห็นร่างกายของเราว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นแบบนี้ ร่างกายของคนทุกคนที่เรารักที่เราเคารพที่เราห่วงใยที่เราห่วงก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันคือทุกคนในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายไปด้วยกันถ้าเราเห็นแล้วมันจะทำให้เราต่อยวางได้ทำให้เราปร่งได้ ทำให้เราไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายของเราเองและของผู้อื่นแล้วจะทำให้เราไม่ทุกเวลาที่ร่างกายนี้จะต้องตายไปแล้วก็จะทำให้เราไม่หลงยึดติดกับการหาความสุขต่าง ผ่านทางร่างกายเพราะเราจะรู้ว่าต่อไปร่างกายนี้เราก็จะไม่สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆได้ตาหูจมูกดิ้นกายจะค่อยๆเสื่อมลงไปตามลำดับเวลาร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆ หูตาจมูกลิ้นกายก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปตานี้เมื่อกี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็มาบอกว่าไปลอกตามาถ้าไม่ลอกตาก็จะมองไม่เห็นอะไรสมัยนี้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะรักษา โรคภัยต่างๆได้แต่ก็รักษาได้ในระดับหนึ่งพอเกินระดับนั้นไปก็จะไม่สามารถรักษาได้โรคตาบางชนิดก็ไม่สามารถรักษาได้เวลาตามืดบอดลงไปก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาได้ไม่สามารถเห็นรูปต่างๆได้ ก็จะมีแต่ความทุกข์อยากจะเห็นแต่มองไม่เห็นนี่คือการตั้งอยู่ในความไม่ประมาณเราควรจะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่บ่อยๆ อ, อยู่ทุกๆวันอย่างน้อยที่สุดเช้าตื่นขึ้นมาก่อนที่เราจะไป ลุกขึ้นจากเตียงไปทำภารกิจการงานต่างๆก็ควรที่จะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายควรจะคิดว่าชีวิตเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวันความตายใกล้เข้ามาอีกหนึ่งวันเหมือนกับเวลาที่เราขับรถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเรามักจะมองตามหลักกิโล เขาจะบอกว่าเหลืออีกกิโลจะถึงจุดหมายปลายทางนั้นทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนหลักกิโลเมตรของชีวิตของพวกเราทุกวันนี้เราขยับใกล้เข้าไปสู่ความตายเข้าไปมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็จุดหมายปลายทางคือความตายของพวกเรานี่ก็ไม่เหมือนกัน เราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี้จะไปหยุดที่อายุที่เท่าไหร่จะหยุดที่อายุ90หรือ80หรือ70หรือ60เพราะคนเหล่านี้สามารถตายได้ทุกเวลานาทีไม่เลือกเพศไม่เลือกวัย ไม่เลือกเด็กเลือกผู้ใหญ่พอถึงเวลาจะตายมันก็เกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อเกิดขึ้นแล้วใจก็จะต้องพบกับความทุกข์และจะต้องไปใช้บุญใช้บาปต่อแล้วก็ไปเกิดใหม่อีก แล้วก็จะกลับมาทำบุญทำบาปอีกถ้ามาอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอย่างยุคนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รู้จากการหาความสุขหาที่พึ่งที่แท้จริงกันถ้าไปเกิดในยุคที่ ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่แท้จริงไม่รู้ว่าจะมีที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงจะมีที่ให้เราหลบพ้นหลบเลกจากทุกข์ภัยต่างๆยุคนี้เป็นยุคที่พวกเรา มีโชคมีวาสนาที่เราได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเปลี่ยนการเปลี่ยนที่พึ่งกันใหม่อย่าไปพึ่งร่างกายและอย่าไปพึ่งราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นที่พึ่งชั่วคราว ต่อไปมันจะพึ่งไม่ได้ต่อไปร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายไปและสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราคือลาบยศสรรเสริญละรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะ <c oughs> ก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มี เวลามีก็ให้ความสุขกับเราพอเวลาไม่มีมันก็จะให้ความทุกข์กับเราตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราหาความสุขจากธรรมะจากการปฏิบัติธรรมจากการรักษาสิงจากการนั่งสมาธิ จากการเจริญปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้เป็นทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นที่พึ่งของใจได้อย่างแท้จริงเพราะศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อเรามีแล้วจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะไม่จากเราไปไม่เหมือนกับร่างกาย ไม่เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่เหมือนกับราบยศสรรเสริญที่จะต้องมีวันพัดพากจากกันเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่มีราบยศสรรเสริญเราก็จะไม่มีความสุขต่างตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอยาก ที่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เราจึงต้องเตือนสติสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อความไม่ประมาทเพราะถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายเราจะได้เต็มตัวเต็มใจ เปลี่ยนที่พึ่งกันใหม่เหมือนกับเรารู้ว่าบ้านที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้จะต้องพังลงไปเราก็จะได้ไปซื้อบ้านใหม่ไปเตรียมสร้างบ้านใหม่ไปซื้อบ้านที่จะไม่พังเช่นบ้านที่เราอยู่ขณะ น, นี้ถ้าเกิดฝนตกมากๆน้ำก็จะท่วมถ้าเราไม่อยากจะเจอน้ำท่วมบ้านเรา เราก็ต้องย้ายบ้านกันหรือถ้าเราไปตั้งบ้านอยู่บนที่มีแผ่นดินไหวว่ามีโอกาสที่จะต้องพังทลายเวลาเกิดแผ่นดินไหวเราก็จะไม่อยู่ที่บ้านหลังนี้เราก็จะไปเปลี่ยนบ้านไปหาบ้านใหม่ไปสร้างบ้านใหม่กันฉันใดถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องแก่ เราจะต้องเจ็บและเราจะต้องตายเราก็จะได้เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนที่พึ่งกันเราอย่ามาพึ่งร่างกายนี้กันเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วเรามาพึ่งสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกว่านั่นก็คือเรามาพึ่งศีลสมาธิปัญญากัน ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะมีความสุขไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายจะตายหรือไม่ตายเราก็จะมีความสุขตลอดเวลานี่คือเหตุที่พวกเราต้องหมั่นพิจนารณากันอยู่เนืองๆ พิจารณากันอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าเคยถามพระอ น, นุ์ว่าอ น, นุนวันหนึ่งเธอพิจระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไรพระอ น, นุ์ก็ตอบว่าประมาณสักสี่ห้าครั้งเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอา น, นุนเธอยังประมาทอยู่ถ้าเธออยากจะไม่ประมาทเธอต้องละลึก ถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเวลาเธอหายใจเข้าก็ให้เราเรียกว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายเวลาหายใจออกแล้วถ้าไม่หายใจเข้าก็ต้องตายให้เราเลิอกอยงนี้อยู่ได้เรื่อ ย, อยแล้วจะทําให้เรานี้คลายความหลงยึดติดกับร่างกาย กายความหลงที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องม้เครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วเราจะได้มาหาที่พึ่งอันใหม่กันที่พึ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่จะไม่มีวันจากเราไปเหมือนกับร่างกายที่พึ่งนี้ก็คือศีลสมาธิและปัญญา ศีลนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็เรียกว่าศีลห้าระดับที่สองก็ศีลแปดระดับที่สามก็ศีลสิบระดับที่สี่ก็ศีลสองร้อยยี่บเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าข้ออันนี้เป็นศีลที่จะเป็นที่พึ่งของเราที่จะรักษาใจของเราป้องกันใจของเราไม่ให้ ไปมีความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆผู้ที่มีศีลใจจะสงบผู้ที่ไม่มีศีลใจจะวุ่นวายระหว่างผู้ที่ฆ่ากับผู้ที่ไม่ฆ่านี้ใจจะต่างกันเวลาเราไปฆ่าผู้อื่นนี้ใจของเราจะวุ่นวายจะวิตกจะหวาดกลัวกลัวที่จะถูกจับไปลงโทษนั่นเอง ถ้าเราไม่ได้ฆ่าเราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายเช่นเดียวกับการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงการกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไม่ใช่ทำให้เกิดความสุขกันแต่ทำไมจึงไปทำบาปทำกรรมกัน พอความหลงหลอกคิดว่าทําบาปทํากรรมแล้วจะมีสุขจะได้สิ่งที่อยากได้แล้วจะมีความสุขอยากได้แฟนของคนอื่นก็ไปประพฤติผิดตัวแวนีพอได้ร่วมหลับนอนกับแฟนของคนอื่นก็มีความสุขแต่หลังจากนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมากลัวว่าแฟนของคนอื่นเขาจะรู้สามีของคนที่เราไปมีชั่ว ชู้หรือภรรยาของคนที่เราไปมีชู้เขาจะรู้และเขาจะมาทำร้ายเราหรือภรรยาของเราหรือสามีของเราจะไปจะรู้ว่าเราไปมีชู้กับผู้อื่นก็จะทำให้เราไม่สบายใจกังวลใจได้ความสุขชั่วระยะแรกๆชั่วขณะที่ได้ทำแต่หลังจากที่ทาไปแล้ว จะมีความทุกข์ตามมาซึ่งไม่คุ้มค่ากับการที่จะได้ความสุขแบบนั้นสู้หาความสุขแบบที่ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องลักทรัพย์ไม่ต้องประพฤติผิดตระเวณีไม่ต้องโกหกหลอกลวงดีกว่าเพราะจะเป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขหรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้น ในระดับแรกของศีลเมื่อเราสามารถรักษาศีลหได้แล้วเราก็ขยับขึ้นสู่ศีล8ปดศีลส0ศีลสองร้อยีหรือศีลสามร้อยก่อข้อตามกำลังของการปฏิบัติของเราจากศีลหเราก็จะขึ้นสู่ศีล8ได้อย่างง่ายดายถ้าเริ่มต้นที่ศีล8เลยมันจะยากก็เลยต้องเอาที่ศีลห้าก่อน ถ้าสีห้ายากก็เอาที่สีสี่ก่อนสีสี่ยังยากก็เอาสีสามก่อนอย่างน้อยเอาสักข้อหนึ่งก็ยังดีถ้ายังรักษาสีห้าข้อไม่ได้รักษาเพียงได้ข้อเดียวก็พยายามรักษาหนึ่งข้อไปก่อนแล้วก็ลองเพิ่มเป็นสองข้อพอได้สองข้อก็ลองเพิ่มไปเป็นสามข้อเราค่อยๆทำไปค่อยๆพัฒนาไป เดี๋ยวมันก็ได้ทุกข้อเองเพราะคนที่เขารักษาได้เขาก็เป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนเรามีอาการส2สสองเหมือนกับพวกเราถ้าเขารักษาได้เราก็ต้องรักษาได้อยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความตั้งใจถ้ามีความตั้งใจมีความพยายามแล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คนอื่นเขาทำกันได้ดังนั้นเราต้องสร้างความตั้งใจขึ้นมาสร้างความพยายามขึ้นมาเช่นต่อไปนี้เราต้องตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าให้ได้ถ้าเราตั้งใจแล้วถ้าเรามีความพยายามเราก็จะรักษาได้เรารักษาแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีล ว่าเวลามีศีลแล้วใจสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลกับการไม่มีศีลของเรานี่คือเรื่องของศีลจากศีลห้าเราก็ขยับขึ้นสู่ศีลแปดศีลแปดนี้เราก็เปลี่ยนข้อที่3การประพฤติการไม่ประพฤติผิดตัวเวณีมาเป็นการไม่เสพการการไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่น เรียกว่าอ布拉มจาริยาเวรมณีแทนที่จะเป็นการเมสุวิชาจาราเวรมณีข้อศีลข้อที่สมของผู้ที่รักษาศีลแปดก็จะเปลี่ยนเป็นอ布拉มจาริยาเวรมณีแล้วก็เพิ่มศีลข้อที่6คือจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วศีลข้อที่เจก็คือ จะไม่หาความสุขจากมหัศลสมบันเทิงต่างๆจะไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปาเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอา่อนด้วยเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมต่างๆเพียงให้ร่างกายชำระร่างกายให้สะอาดหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้า แบบเรียบง่ายก็พอแล้วเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสื้อผ้าวิจิตพิสดารมีรูปมีร่างมีสีมีสันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขปลอมสู้เอาเวลาที่มาใช้กับการหาความสุขเหล่านี้ มาใช้กับการสร้างที่พึ่งทางใจกันดีกว่าที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเราก็จะรักษาศีลข้อที่เจ็ดแล้วข้อที่แปดเราก็จะละเว้นจากการไม่นอนมากเกินไปวิธีไม่นอนมากเกินไปก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาะๆนะบนเตียงใหญ่ๆที่นอนแล้วสบาย ถ้ามันสบายแล้วมันจะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายร่างกายนี้ปกติจะพักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงต่อการต่อความต้องการของร่างกายแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆ น, นอนสบายพอร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะลุก เพราะมันสบายก็เลยนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็ได้ความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขชั่วคราวแทนที่จะเอาเวลาสามสี่ชั่วโมงที่นอนนี้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อให้ได้ความสุขที่วิเศษกว่าที่ดีกว่าก็ก็จะไม่ได้ถ้าไม่รักษาสีลข้อนี้นี่คือสีลแปดข้อด้วยกัน สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างที่พึ่งให้แก่ใจที่แท้จริงที่ถาวรที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจที่จะทําให้ใจมีความสงบมีความสบายถ้าเรารักษาศีลแปดท้าเราก็จะมีเวลาไว้มาสําหรับใช้ในการเจริญสมาธิและปัญญา มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันนะการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อทำให้ใจสงบนะเพราะเวลาจิตสงบแล้วจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่แท้จริงเพราะจะเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดจะไม่มีวันจากเราไป ถ้าเรารู้จักวิธีรักษาไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายที่เราจะไม่สามารถรักษามันไว้ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาความสุขทางร่างกายให้อยู่ไปกับตนได้ตลอดเพราะว่าร่างกายนี้ไม่มีใครที่จะไป ยับยั้งความแก่ยับยั้งความเจ็บยับยั้งความตายได้แต่เราสามารถรักษาศีล ส, สมาธิและปัญญาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดให้สร้างความสุขคือความสงบทางใจให้กับเราไปได้ตลอดดังนั้นพอเรารักษาศีลแปดได้แล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือจเจริญสมาธิจเจริญปัญญากัน การจะเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเราต้องมีสติเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสตินี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบทำให้ใจเข้าสู่สมาธิสมาธิก็คือความนิ่งความสงบความตั้งมั่นของใจตอนนี้ใจยังไม่ตั้งมั่นอยู่ใจยังลอยไปลอยมากับความคิดต่าง คิดแล้วก็เกิดความอยากต่างๆเกิดความอยากก็เกิดความวุ่นวายใจความความความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาเราจึงต้องใช้สติมายับยั้งมาหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้เราก็จะหยุดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ นี่คืองานที่เราจะต้องทำในการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ไม่มีวันจากเราไปที่พึ่งที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไม่ว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะเจริญหรือจะเสื่อมไปก็จะไม่มีผลต่อความสุขทางใจที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้ เราต้องพยายามทํากันให้ได้เพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาแล้วแล้วทรงนำเอามาสั่งสอนผู้ที่สามารถกระทําได้ก็ได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตต่อสาวกได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงคือพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบ เราจะได้เหมือนกันทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมีถ้าเราปฏิบัติจเจริญสติสมาธิและปัญญาได้ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเหตุที่จะทำให้เราทำไม่ได้พวกเราทุกคนมีความสามารถมีสิทธิที่จะรักษาศีลได้มีสิทธิที่จ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิได้ มีสิทธิ์ที่จะเจริญปัญญาได้มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีสิทธิ์ที่จะไปถึงพันธิพานได้กันทุกคนเพราะเรามีใจเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอาหารหันตสาบุกสิ่งที่เราต้องมีในการที่จะรักษาศีลสมาธิปัญญาก็คือใจนี่แหละพวกเราทุกคนมีใจด้วยกันทุกคนถ้าเรามีใจเราก็สามารถที่จะ รักษาศีลรักษาสมาธิสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้นีร่างกายจะเป็นอย่างไรนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะการจะสร้างศีลสมาธิปัญญานี้เราใช้ใจเป็นผู้สร้างร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้คําสั่งของใจเท่านั้นเองเช่นวันพระใจก็สั่งให้เอาร่างกายมาอยู่ที่วัด มาถือศีลแปดกันมาปลีกวิเวกกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำให้เกิดความสงบเกิดสมาธิแล้วมาพิจารณาทำให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุขไม่ควรที่จะไปหลงยินดีกับสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปพพะเพราะสิ่งเหล่านี้ จะไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงแต่จะให้ความทุกข์ที่แท้จริงกับเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาที่เราสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นเวลานั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นสั่งให้แฟนของเราซื่อสัตย์กับเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ทอดทิ้งเราสั่งให้เขารักเราตลอดเราสั่งเขาไม่ได้วันไหนเขาอยากจะไม่ซื่อสัตย์กับเรา <th> uh> เขาก็ไม่ซื่อสัตย์กับเราได้วันไหนที่เขาอยากจะทอดทิ้งเรา <th> uh> เขาก็ทอดทิ้งเราได้เราห้ามเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพิ จ, จารณาเรียกว่าปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเพราะว่ามันเป็นอนัตตาแต่ใจเราอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอัตตามันก็เลยทำให้เราทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่ใช่เป็นนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาไม่ใช่เป็นของเราไม่เป็น ไม่เป็นนิจจังไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับนี่คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เราถอยออกจากการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรานั่นเองให้เราหยุดหาราบยศสรเสริญหยุดหารูปเสียงกิ่นรสผดทพะกัน เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขกันมันจะทำให้เรามีความทุกข์กันเพราะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการจากกันไปนั่นเองนี่คือเรื่องของปัญญาเพื่อเตือนใจสอนใจว่าความสุขที่แท้จริงมีความสุขอันเดียวเท่านั้นคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนอกกนั้นแล้วเป็นความทุกข์ทั้งนั้น เพื่อที่เราจะได้มาทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการสร้างความสงบให้แก่ใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาด้วยการเจริญสติตลอดเวลาเพื่อหยุดความคิดปุงแต่งต่างๆเพื่อหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้มันหมดไปให้มันหายไปแล้วใจก็จะเหลือแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลา จะมีความสุขอยู่ตล อ, อดเวลาอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพความสุขที่ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญมาเสพเรามาเสพความสงบกันดีกว่า ความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลมีสมาธิและมีปัญญาดังนั้นสิ่งที่เราควรจะขวนขวายกันควรที่จะสรรหากันขวายคว้ากันให้มากๆก็คือศีลสมาธิและปัญญากันอย่าไปขวายคว้ากับลาบยศสรรเสริญอย่าไปขวายคว้าหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่นั่นเองเหมือนกับยาขมเคลือบน้าตาลเหมือนกับน้าตาลเคลือบยาขมความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายทางลาบยศสารเสรินี้เป็นความสุขผิวบางๆที่เคลือบ ก, ออก้อนของความทุกข์เอาไว้ทุกคนในโลกนี้จึงต้องร้องหม่มร้องไห้กันเพราะไปเจอยาขมกัน หลังจากที่น้ำตาลที่เคลือบมันละลายไปความสุขที่เราได้มาใหม่ๆจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกินน่นรสนี้มันเป็นความสุขประเดียวประเดาเท่านั้นเองพอความสุขนี้จางหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทุกคนจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเวลาที่สูญเสียราบยศสรรเสริญ เวลาที่สูญเสียรูปเสียงกิ่นลดผลทพะไปหรือเวลาที่รูปเสียงกิ่นลดเปลี่ยนไปลาบยศสารเสริญเปลี่ยนไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาขอให้เราพิจารณาเห็นความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้กลัวมันไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะไปหามันแล้วขอให้เราพิจารณาเห็น ความสุขที่เราจะได้รับจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาว่าเป็นความสุขที่วิเศษถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นเราก็ดูตัวอย่างของผู้ที่ได้พบกับความสุขเหล่านี้แล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ไขว่คว้าหาศีลสมาธิปัญญากันท่านจึงได้พบกับ อรมมสุขกันใน้พนิบานังปรมังสุขขังกันครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราลกเราเคารพเรากล่าวไหวบูชาท่านเป็นผู้ที่ขวายคว้าแต่ศีลสมาธิปัญญากันท่านจึงได้พบกับวรมมสุขกันท่านจึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายกันพวกเราก็เป็นลูกศิษย์ของท่าน เราก็ต้องทำตามที่ท่านสอนให้เรากระทํากันเราต้องทำตามที่ท่านได้กระทํากันเพราะการกระทํานี้เป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้ความสุขที่แท้จริงนี้ขึ้นมาความศรัทธาความเชื่อเฉยๆนี้ไม่พอเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในครูบาอาจารย์แต่พอถึงเวลาปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอน เหมือนกับเชื่อหมอไปหาหมอหมอให้ยามารักษาแต่ไม่กินยาที่หมอให้มาถ้าไม่กินยาที่หมอให้มาแล้วโครคภัยไข้เจ็บมันจะหายไปได้อย่างไรทั้นใดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็เป็นเหมือนกับโรคของ่างร่างกายเราต้องใช้ยาคือธรรมโอสถมารับประทานเราถึงจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บของใจ คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นผลของโลกของของใจเชื้อโลกของใจคือตันหาความอยากต่างๆที่ทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราต้องดิ้นไปหาความสุขทางร่างกายกันแล้วพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขใหม่ แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่ไม่มีวันสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติจนกว่าเราจะสามารถรักษาศีลกันได้จนกว่าเราสามารถนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้จนกว่าเราจะมีปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะกระทำกันและการที่จะทำให้เราเข้าหาศีลสมาธิปัญญาได้ก็คือการละลึกอยู่เรื่อยๆถึงความแก่ถึงความเจ็บและถึงความตายแต่การละลึกถ้ายังไม่พอทำให้เราเข้าหาศีลสมาธิปัญญา เราก็ต้องไปหาของจริงไปดูของจริงกันบ้างไปดูคนที่เป็นโรคต่างๆบ้างแล้วก็สอนเราว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นโรคอย่างนี้ไปดูคนที่ตายบ้างแล้วก็สอนใจเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นของจริงมันจะทำให้มันมีความมีน้ำหนักมากกว่าการเพียงแต่แลเล็กรู้ อย่างที่โบราณเขาพูดไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพอเห็นด้วยตาแล้วมันสลดสังเวชจริงๆมันทาให้เรานี้เกิดความความกลัวความแก่ความเจ็บความตายกันอย่างจริงๆแล้วก็เชื่อจริงๆว่าเรานี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บน่าจะต้องตายกันจริงๆบางทีเวลาที่เราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้ เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ประทับใจมันยังไม่ถึงใจมันไม่เหมือนกับการไปดูของจริงกันอย่างนั้นถ้าเราใจเรายังไม่สะเทือนใจเรายังไม่ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเราต้องไปดูของจริงกันไปดูคนชรากันไปเยี่ยมคนแก่คนชราไปทำบุญกับคนแก่คนชราไป ไปดูไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปดูคนตายไปขอดูศพคนตายที่โรงพยาบาลกันที่โรงพยาบาลนี้เขาจะมีการจันร์ศูตรศอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะเห็นศพเห็นคนตายจริงๆก็ไปที่โรงพยาบาลกันเพราะเดี๋ยวนี้ที่วัดนี้เขาไม่ให้เราดูกันเขาปิด ใจในงไว้แช่เย็นแช่แข็งไปเลยเป็นเหมือนไก่แช่แข็งดูแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่ามันตลอดสังเวชนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะหมั่นนําเลิกกันพิจารณากันอยู่บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้เห็นโทษของการมีร่างกายว่ามันทุกข์มันเป็นที่พึ่งไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา ไม่ได้อย่างถาวรเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนการหาที่พึ่งใหม่เปลี่ยนที่พึ่งใหม่มาหาที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่ได้รับการพิสูจน์ได้รับการรับรองจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาลกแล้วว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด เป็นที่หลบภัยของความทุกข์ต่างๆได้อย่างแท้จริงผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะสูญเสียสิ่งที่รักไปจะพัดพลาคจากสิ่งที่รักไปก็จะไม่ทุกข์เวลาแก่ก็ไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เวลาตายก็ไม่ทุกข์เพราะศีลสมาธิปัญญานี้ จะควบคุมรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้หวันไหวไม่ให้หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเป็นเหมือนมรดกที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าเป็นมรดกที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทอง หมื่นล้านแสนล้านที่พ่อแม่อาจจะมอบให้กับเราพาะเงินทองหมื่นล้านแสนล้านนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้ไม่สามารถสร้างความสุขที่ถาวรให้กับเราได้ไม่สามารถระ ง, งับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของเราได้ดังนั้นเราอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะมันเป็นความสุขปลอมมันไม่ใช่เป็นความสุขจริงความสุขจริงอยู่ที่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาขอให้พวกเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการรักษาศีลให้กับการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิแล้วหลังจากที่ได้สมาธิแล้วก็ขอให้เราหมั่นเจริญปัญญากันหมั่นพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันจะต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปทุกเพราะว่ามันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปทุกเพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไอ้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปหลงหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันจะกลายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเอง เราก็จะหนีไปพ้นจากความทุกข์แต่วันนี้ทุกข์ไม่ได้มาหาเรานะเราไปหามันเองหาด้วยความหลงไปคิดว่ามันเป็นสุขนเราไปหาลาบยศจรนสเสริญแต่หารูปเสียงกลิ่นรสผลทพักษ์กันเพราะเราไปหลงคิดว่ามันเป็นความสุขกันแล้วเรากลับต้องมาล่องห่มล่องไห้เวลาที่เราต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงของลาบยศจันลเสริญ ของความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายเวลาแฟนทิ้งเราเวลาแฟนไม่ซื่อสัตย์กับเราเวลาแฟนตายจากเราไปมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันถ้าเราไม่มีแฟนเราจะทุกข์กับแฟนหรือไม่ใช้ปัญญาใช้เหตุผลพิจารณาดูสิเราไปหาความทุกข์เองเราไปหาแฟนเองพอเราไปหาแฟนเราก็เลยไปทุกข์กับแฟน เราไปหาอะไรเราก็จะต้องทุกกับสิ่งที่เราไปหาความทุกข์นี้เขาไม่ได้เข้ามาหาเราเราไปหาเขาเองงั้นเราต้องหยุดการไปหาความทุกข์กันสิ่งที่จะหยุดการ<ส>การไปหาความทุกข์ได้ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าเรา ป, ฏ, ปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะไม่ไปหาความทุกข์กันเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานี้จะให้ความสุสขกับเรา ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆที่ให้ความทุกข์กับเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทํากันให้ได้ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันจะไม่ได้ผลเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงจะต้องมาปฏิบัติกันจะต้องหาเวลามารักษาศีลแปดมาเปกวิเวกันเพื่อที่เราจะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิ จเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่จะทําใจให้สงบได้นี้จะต้องมีสติอย่างต่อเนื่องสติเผลอมาไหลใจจะไม่สงบเมื่อนั้นสติต้องมีตลอดเวลาสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะผูกลิงคือใจของเราให้มันอยู่เฉยๆแต่เวลาใดที่เชือกขาดนี้ลิงมันก็จะดิ้นมันก็จะวิ่งไปทําอะไรต่างๆได้ดังนั้นเราต้องพยายามให้มีสติที่มันไม่ขาดตอน มันจะต้องต่อเนื่องถ้ามันเป็นสติที่ต่อเนื่องแล้วมันแยกก็จะควบคุมใจให้สงบให้ได้ให้นิ่งได้ตลอดเวลาแต่เวลาใดที่สติเถอสติขาดไปเวลานั้นใจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาใจมันก็จะวุ่นขึ้นมาได้ ท, ทันทีดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันให้ได้ก่อนก็คือการสร้างสติ เหมือนกับการที่เราจะผูกลิงไว้ให้มันอยู่เฉยๆเราต้องไปหาเชือกที่แข็งที่มีกำลังมากกว่ากำลังของลิงถ้าเป็นเชือกล้วยนี้มาผูกปันเดียวมันกระตุกทีเดียวมันก็ขาดเราต้องเอาเชือกไนล่อนหรือหรือโซ่มาผูกมามัดมันรับรองได้ว่าถ้ามีเชือกที่เป็นโซ่หรือเป็นเชือกไนล่อนนี้มันจะไม่สามารถกระตุกให้ขาดได้ มันก็จะไม่สามารถไปเพ่นพ่านทําอะไรวุ่นวายต่างๆได้ใจของเราที่มีสติที่แข็งแรงที่ต่อเนื่องจะสามารถทําให้ใจนี้สงบได้ตลอดเวลาพอใจสงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนได้ว่าต่อไปนี้ห้ามไปหาเรื่องห้ามไปหาความทุกข์สิงต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญ ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์นี่มันให้ความทุกข์กับเราเพราะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการสูญมีการดับไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งอันใหม่มาเปลี่ยนที่พึ่งกันเปลี่ยนบ้านใหม่กันบ้านที่เราอยู่นี่มันมันอันตรายเพราะว่าน้ำอาจจะท่วมได้แผ่นดินอาจจะถล่มได้หรือไฟอาจจะไหม้บ้านได้ เป็นที่ไม่ปลอดภัยเราควรไปย้ายที่อยู่กันดีกว่าไปอยู่ที่ไม่มีน้ำท่วมไม่มีแผ่นดินถลม่มไม่มีไฟไหม้กันดีกว่าทันใดความสุขที่เราอาศัยจากร่างกายก็เป็นเหมือนบ้านที่ไม่ปลอดภัยที่จะต้องเกิดเกิดวิบัติขึ้นมาสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว ร่างกายของเรานี้สักวันหนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายไปดันั้นเราควรที่จะย้ายบ้านกันดีกว่าไปหาที่พึ่งที่ดีกว่าบ้านคือร่างกายอันนี้ที่พึ่งที่ดีกว่าของละที่บึ่งที่ดีกว่าร่างกายอันนี้ก็คือศีลสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงและที่ทถาวรต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 อราโสยถาสพีติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีธีขายยโกภวะอภิวาทนสิลิะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวะทานติอายุวโนสุขัง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 จะส่งเข้ามาทยอยเข้ามาก่อนก็ได้แต่ขอให้เอาคำถามที่ที่ที่ถามมาก่อนตอบไปก่อนพอหมดแล้วก็จะถามก็จะตอบปัญหาที่ถามในวันนี้เลยคําถามจากทางบ้านจากคุณวชระเมื่อคืนผมสวดมนต์พอถึงบทอุทิศส่วนกุศลผมมีอาการขนลุกทั้งตัวจนผมกลัวจนสวดอุทิเศเสรเป็นเพราะอะไรครับ มันก็เป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นเวลาที่ไปสัมผัสกับความรู้สึกบางอย่างเราจะเรียกว่าเป็นปิติเป็นความซาบซึง้งหรือเป็นอะไรก็ก็ขอให้เราพิจารณาว่ามันก็เป็นใจรักก็แล้วกันมันไม่มีคุณมีโทษอะไรกับเราให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคำถามจากคุณพีรพงข้อหนึ่งผมมีอาชีพขายลอตเตอรี่ ไม่คดโกงผู้จาหลอกลวงไม่เอากำไรเกินควรถึงจะไม่ผิดศีลห้าแต่ จ, จัดอยู่ในอบายมุกผมผิดมรก8ดข้อสมมามะอาชีวะใหมครับถ้าเราคิดว่าการขายลอตเตอรี่เป็นการนื่นการพนันมันก็ผิดแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการหาไรายได้ให้กับคนยากจนที่เขาเอาเงินนี้ไปสนับส น, นุนช่วยเหลือ ของการที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็จะถือว่ามันไม่ได้เป็นการพนันก็ได้เพราะการพนันที่แท้จริงมันต้องเข้าไปในบ่อนแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจอยู่กับการหาไรายได้จากการเล่นการพนันกันอันนี้ก็เป็นเพียงขายสินค้าอย่างหนึ่งเหมือนกับขายบัตรเสี่ยงโชคก็ไม่ถือว่าเป็นอบายามุกที่รุนแรง ไม่ได้ทำให้ถึงกับคนหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายยกเว้นคนที่ไม่มีขอบมีเขตมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มเทซื้อลอตเตอรี่หมดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ <S <S <S ถ้าคิดว่ามันไม่ทําให้เราไม่สบายใจเราหาชีพอื่นทําได้ก็หาไปถ้ายังหาไม่ได้ก็ดีแบบ ไม่มีอาชีพเลยแล้วเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะต้องไปลักขโมยหรือไปเป็นขอทานข้อสองผมคิดจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นเกษตรกรปลูกผักเลี้ยงสัตว์แต่ก็ต้องมีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ถึงจะปลูกผักอย่างเดียวก็ต้องกระทบกับสัตว์ในดินผมจึงตั้งเกณฑ์ว่าการเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ทำให้ศีลสมาธิ ปัญญาดีขึ้นกว่าเดิมผมอยู่อาชีพเดิมต่อไปดีกว่าคิดแบบนี้เป็นความเห็นผิดไหมครับก็มีอาชีพที่มันที่คนอื่นที่เขาทาที่ไม่ไม่เบียดเบียนชีวิตของคนอื่นก็มีเช่นรักษาพยาบาลทํางานบริการอะไรต่างๆกว่าถนนทําอะไรมันก็ยังมีอาชีพอยู่ถ้าเรายังอยากจะ อาชีพที่มันเป็นอาชีพที่สุดจริตจริงๆก็ยังพอหาได้แต่ถ้าเราไปมองอาชีพอื่นที่มันไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นมันก็ทำให้เราคิดว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอย่างไรคำถามจากคุณวัชระข้อหนึ่งการเจริญเมตตาและภมิหารสี่ ทำอย่างไรหรือครับและทําอย่างไรจึงจะสามารถทรงได้ทั้งวันครับคือเราต้องศึกษาคําว่าเมตตากรุณามมริตาอุเบกขานี้มีคุณสมบัติอย่างไรเมื่อเราทราบแล้วเราก็พยายามสร้างคุณสมบัตินั้นขึ้นมาในใจของเราตลอดเวลาเช่นเมตตาก็คือให้เราคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ถึงแม้เขาจะคิดร้ายหรือทำร้ายเราเราก็ต้องไม่คิดร้ายกับเขาให้อภัยเขาส่งความสุขให้กับเขามีอะไรก็แบ่งปันให้กับเขามีขนมนมเนยเราก็แบ่งให้เขาอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตากรุณาก็เวลาเห็นที่คนเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราพอที่จะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไป อันนี้ก็เรียกว่าความกรุณามูดิตาก็คือความยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาคนอื่นเขาได้รับความสุขความเจริญเช่นเขาได้เลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มแต่เราไม่ได้เราก็อย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปเสียใจเราควรจะแสดงความยินดีไปกับความสุขความเจริญของเขาอย่าไปคิดว่าเขาเอ ไม่ดีเราดีกว่าเขาทำไมเราถึงไม่ได้ถ้าเราคิดแบบนี้ก็จะทำให้เราเสียใจไม่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นวาลล่าของเขาที่เขาจะได้รับผลของการกระทของเขาเขาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนก็ถือว่าเป็นบุญของเขาเราคนที่จะชื่นชมยินดีกับเขาไปจะดีกว่าหรือว่าถ้าเราเป็นนักกีฬาเวลาเราเล่นกีฬากัน เวลาเขาชนะเราเราก็สแสดงความกินดีกับการชัยชนะของเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจอย่าไปกล่าวร้ายเขาว่าเขาโกงหรือเขาทำอะไรไม่ถูกไปในเมื่อกรรมการเขาตัดสินว่าทุกอย่างถูกต้องเราก็ต้องยอมรับคำตัดสินของกรรมการไป อันนี้ก็เรียกว่ามุติตาเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความรู้สึกเสียใจหรือคิดร้ายต่อผู้อื่นส่นอุเบกขานี่ก็คือการทําใจให้ปล่อยวางปราศจากความรักชังกลัวหลงเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เราก็อยู่เฉยๆเวลาอยากจะช่วยเหลือใครแล้วช่วยเหลือก็ไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าไปทุกข์อย่าไปเดือดร้อน เช่นมีเพื่อนเขาไม่สบายรักษาไม่ได้จะตายเราอยากจะช่วยเขาแต่เราก็ช่วยเขาไม่ได้เราก็รู้สึกวุ่นวายใจไม่สงบเราก็ต้องหัดเจริญอุเบกขาการจะเจริญอุเบกขาก็ให้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตอนนี้ผลของกรรมนั้นได้มาถึงกับเพื่อนของเราแล้ว เราก็ต้องรับผลของกรรมเข้าไปเราช่วยเขาไม่ได้ถึงแม้เราอยากจะช่วยก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าการมีพรมวิหารสีงั้นการใช้พรมวิหารสีมันไม่ได้ใช้ตลอดเวลามันใช้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เหมือนกับเวลาเราขับรถยนต์เมื่อก่อนเราใช้รถเกียร์ธรรมดามีการเปลี่ยนเกียร์ก็เราต้องเปลี่ยนเกียร์ไปตามสภาพของท้องถนนนี้เราวิ่ง ถ้ารถวิ่งช้าเราก็ใช้เกียร์ต่ำพอรถเริ่มวิ่งเร็วเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สูงตัว ม, มิหารสี่ก็เป็นเหมือนเกียร์สี่เกียร์ที่เราจะใช้กับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเวลาพบปะกันเราก็แผ่เมตตาให้กักนเวลาใครเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือกันเวลาใครได้ดีได้ดีเราก็แสดงความยินดีกันเวลาใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือมีปัญหาทีม ช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทุกทุกที่ไม่ที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสียเวลาทุกไปเปล่าๆและเมตตาของพระอริยะเจ้าแต่ละระดับต่างกันอย่างไรบ้างหรือครับก็มีความมีก็มีน้ําหนักต่างกันมีความสามารถต่างกัน ยิ่งสูงก็จะมีน้ำหนักมากมีความสามารถมากสามารถแผ่ได้ทันทีทำได้ทันทีถ้าต่ำลงมาบางทีก็ต้องเข็นกันหน่อยบังคับกว่าหน่อยบางทีถึงจะแผ่ออกมาได้ข้อที่สองการปฏิบัติตั้งแต่พระโสดาบันขั้นต้นไปขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงพระสกิทาคามีต้องปฏิบัติอย่างไรหรือครับ และแต่ละระดับมีอารมณ์แตกต่างกันอย่างไรครับการปฏิบัติก็สำหรับขั้นพระสวสดาบัลก็คือการ<ม>ละสังโยชน์ทั้งสามข้อ<ม>ก็ปฏิบัติไปตามกําลังของเราพิจารณาขันห้าอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางมันอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อย ภาพปฏิบัติมากมันก็จะเห็นชัดขึ้นมันก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นคําถามจากคุณศุลสิธิ์ก่อนนั่งสมาธิก่อนออกจากสมาธิและหลังจากนั่งสมาธิควรทําอย่างไรครับการนั่งสมาธินี้ก็ต้องมีสติก่อนเราต้องฝึกสติเจริญสติเช่นเต่นขึ้นมาเราก็เจริญพุทธโธพุดโธไปบระกพูดโธพุดโธไป อันนี้เป็นการเตรียมสร้างสติเพื่อให้ไปใช้ในการนั่งสมาธิเหมือนก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยกันเราถึงจะมีกาลังที่จะไปทางานทาการการจะนั่งสมาธิเราก็ต้องเตรียมสติไว้ก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่มีสติพอเวลานั่งเราก็จะไม่มีกำลังหยุดความคิดปรุงแต่นั่งไปจิตก็จะไม่สงบ ดั้นเราก็ต้องมีสติทั้งตั้งตั้งแต่ก่อนนั่งและเวลานั่งและหลังจากที่เราออกจากสมาธิเราก็จะเรีสติต่อเพื่อจะได้รักษาความสงบรักษาใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านต่อไปดงนั้นทั้ตั้งแต่ก่อนและช่วงที่กําลังนั่งและหลังจากที่นั่งก็คือให้เรารักษาสติไว้ตลอดเวลาคําถามจากคุณกัลยาข้อหนึ่ง อยากหลุดพ้นจากชีวิตวุ่นวายที่พี่น้องสามียุ่งเรื่องกิจการของเราต้องทาอย่างไรดีคะก็สละทุกอย่างแล้วก็ไปบวชข้อ2 ส, สามีชอบสร้างภาระหนี้สินโดยที่ดีฉันรับหน้าอยู่คนเดียวเขาไม่มีแม้แต่คำที่ให้กําลังใจโยมเลยแล้วต้องค่มใจอย่างไรคะไม่ให้โกรธเกลเียดทั้งสามีและน้องชายสามี มันเหมือนปัญหาโลกแตกแก้ไขา ย, ยากมากในใจอยากเลิกมากเลยอยากหลุดพ้นจากตรงนี้มากๆไม่มีความสุขเลยดิฉันจะทำอย่างไรดีคะก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันทุกข์เราก็จะปล่อยวางแล้วก็จะอยากเลิกเขาได้แล้วเราก็จะไปอยู่คนเดียวได้คำถามจากคุณ น, นกรักษเพราะอะไรถึงได้มีการห้าม ไม่ให้นั่งสมาธิด้วยตัวเองคะมีอันตรายอย่างไรไหมคะคือการนั่งสมาธินี่ความจริงก็ต้องนั่งตามลาพังเราไม่ไปนั่งกับคนนั้นคนนี้คาว่าไม่ให้นั่งสมาธิด้วยตัวเองหมายความว่าไม่มีใครสอนการนั่งสมาธินี่มันก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือเราจะเรียนปริญญานี่เราก็ต้องมีครูมีอาจารย์สอนวิชาต่างๆเราถึงจะเรียนได้ถูกต้องและจบตามหลักสูตรของเขา การนั่งสมาธิก็มีหลักสูตรของเขาเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่ใช่เนื้ออยากจะนั่งก็นั่งนั่งแล้วพอเกิดอะไรขึ้นมาในใจก็ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปก็จะทําให้หลงได้หรือทําให้เป็นบ้าได้แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าเวลานั่งแล้วจะไปเจออะไรบ้างแล้วจะปฏิบัติกับสิ่งที่เราเจออย่างไรสิ่งไหนเราควรจะเก็บไว้สิ่งไหนที่เราไม่ควรเก็บไว้ นี่คือการนั่งแบบมีอาจารย์แต่ไม่ใช่ให้อาจารย์มานั่งคู่กับเราเวลานั่งสมาธิเพราะอาจารย์กับเรามันอยู่คนละที่กันอาจารย์อยู่วัดเราอยู่บ้านจะเอาอาจารย์ไปอยู่บ้านด้วยได้ยังไงมันก็เพียงแต่ว่าการนั่งสมาธิความจริงต้องนั่งคนเดียวต้องปลีกวิเวกเพราะถ้านั่งหลายคนแล้วมันบางทีมันมารบกวนกันบางคนนั่งแล้วเดี๋ยวขยับเดี๋ยวไอ บางคนนั่งได้เดียวเดียวบางคนนั่งได้นานมันก็จะมาขัดกันงนั้นเวลานั่งสมาธิจริงๆคนจะนั่งคนเดียวแต่ก่อนจะนั่งควรจะไปศึกษากับครูบาอาจารย์ก่อนครูบาอาจารย์ก็มีหลายรูปแบบซีดีที่เราฟังเนี่ยแสดงสดที่เราได้ฟังตอนนี้หรือหนังสือที่เร า, เาไปอ่านนี่ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้เหมือนกันคาถามจากคุณณนะัทนานเราจะมีวิธีปฏิบัติ หรือวิธีคิดอย่างไรถึงจะถูกต้องตามแบบสัมมาทิฏฐิคะก็ต้องคิดว่าบุญมีจริงบาปมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความทุกข์ของเราเกิดจากตัณหาความอยากของเราเองจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องละตัณหาความอยาก จะละตันหาความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์คำถามจากคุณเหมียวเวลานั่งสมาธิปกติจะสงบได้บ้างแต่ยังได้ยินเสียงอยู่บางครั้งจิตดิ่งลงลึกไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดความกลัวว่าจะออกจากสมาธิไม่ได้พอกลัวจิตก็ถอนออกมาอยู่ในระดับเดิมไม่ก้าวหน้าขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะที่ถูก ควรทําอย่างไรเพราะไม่กล้าหน้าไปกว่านี้เลยค่ะก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวการนั่งสมาธิการเข้าสมาธิมันก็ต้องออกมาถึงเวลาจิตมันก็ออกมาเองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ออกมาแล้วก็เวลาภาวนาพอเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็อย่าไปสนใจกับสิ่งที่ทำให้เรากลัวให้เราเกาะติดอยู่กับการทรนาของเรา ถ้าเราดูลงก็ให้ดูลงไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความกลัวที่เกิดขึ้นหรือว่าเราใช้คำบริกรรมพุโทโธแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปขอให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินี้จะไม่มาทาลายเราเพราะผู้ที่นั่งสมาธินี้มีแต่ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขไม่มีใครได้รับความเสียหายจากการนั่งสมาธิถ้ารู้จักวิธีนั่งอย่างถูกต้องคำถามจากคุณตงังข้อหนึ่ง เวลาที่ผมอยู่ข้างนอกวัดผมรู้สึกว่าภายนอกดูวุ่นวายความคิดในใจสงบกว่าภายนอกแต่เวลาไปอยู่วัดรู้สึกว่าภายนอกสงบแต่ในใจกลับเห็นความวุ่นวายในความคิดตัวเองพยายามให้ใจสงบก็ไม่สงบพอกลับมาบ้านก็มีความสงสัยว่าถ้าทีหลังไปอยู่วัดอีกผมควรบังคับข่มตัวเอง ให้ความคิดสงบลงหรือควรแค่ตามรู้ความไม่สงบของความคิดแล้วรอให้ความไม่สงบของความคิดค่อยๆฝ่อจางลงไปด้วยระยะเวลาที่อยู่วัดนานขึ้นความสงบนี้มันไม่สงบด้วยตัวมันเองเราต้องทําให้มันสงบด้วยการใช้สติหยุดมันเช่นเราอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าไปตามความคิด ถ้าไปตามความคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆไม่มีวันจบมันไม่มีวันสงบได้การที่เราจะทำใจให้สงบเราต้องไม่ให้มันคิดวิธีแม่นคิดเราก็ต้องใช้สติใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆอย่าให้มันอยู่กับความคิดให้อยู่กับคำบริกรรมแล้วต่อไปความคิดมันก็จะหายไปแล้วความสงบก็จะเข้ามาข้อ 2. องถ้าไม่สามารถทาใจให้สงบด้วยสมาธิ จำเป็นต้องพยายามให้ได้สมาธิหรือไม่ครับจำเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิมันก็เหมือนกับคนที่จะไปต่อสู้กับกู้ต่อสู้แต่ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไปสู้ต่อสู้กับกู้ต่อสู้ก็กกแพ้เขาอยู่ดีกู้ต่อสู้ของเราก็คือกิเลสตัณหาที่เราจะใช้ปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้กับมัน แต่ถ้าใจเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มมันก็จะไม่มีกำลังที่จะเอาปัญญามาต่อสู้กับกิเลสตัณหาก็จะสู้มันไม่ได้เห็นว่ามันทุกข์ก็ยังหยุดมันไม่ได้เช่นคนที่เห็นว่าการดื่มสุราเป็นทุกข์แต่ก็หยุดดื่มไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีกำลังของสมาธินี้เองข้อสในชีวิตประจำวันถ้าผมไม่ค่อยทาสมาธิ แต่อาศัยตามดูความคิดที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ไหมครับทั้งคิดดีและคิดชั่วมันเหมือนมีสองคนในตัวไม่ว่าจะทำดีทำชั่วมันจะเห็นอีกตัวเห็นเหตุผลของความคิดที่จะทำดีทาชั่วแต่ไม่ได้เข้าไปส่งเสริมหรือขัดขวางมันถูกต้องหรือไม่ครับหรือว่าผมกำลังจะเป็นบ้าควรเลิกดูความคิดของตัวเองดีครับ ถ้าเราดูความคิดแล้วเราสามารถ<ด>หยุดความคิดที่ไม่ดีได้ก็ใช่ได้แต่ถ้าเราดูแล้วหยุดมันไม่ได้เราสู้อย่าไปดูมันดีกว่าเราหัดหยุดมันไว้ก่อนดีกว่าหยุดความคิดทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าอความคิดที่ดีบางทีมันก็เป็นความคิดที่เป็นโทษ ต, ต่อเราเช่นคิดจะไปทํางานทําการหาเงินหาทองมันก็เป็นความคิดที่ดีแต่มันก็ยังเป็นความคิดที่ทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด งัมนบางที 130, เราไม่รู้ว่าความคิดที่ดีเป็นอย่างไรความคิดที่ไม่ดีเป็นอย่างไรงั้นขั้นเบื้องต้นเราหยุดมันดีกว่าหยุดความคิดแล้วเราต่อไปพอเราหยุดแล้วเราจะรู้ต่อไปเวลาความคิดไม่ดีมันจะสะเทือนใจเราความคิดที่ดีมันจะไม่สะเทือนใจเรางั้นเบื้องต้นเราต้องหยุดก่อนให้ทำใจให้เราให้นิ่งก่อนเพื่อเราจะได้มีมาตรฐานในการวัดความคิดของเราว่าเราคิดไปในทางไหน ถ้าเราไม่มีมาตรฐานวัดคือความสงบเราจะไม่รู้ว่าเวลาเราคิดดีนั้นมันดีจริงหรือเปล่าเ <construction> วลาค <aesthetic> ิดไม่ดีมันไม่ดีจริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเอามาตรฐานเครื่องวัดคือความสงบของใจเป็นที่วัดความคิดของเราถ้าเรามีความสงบแล้วถ้าความคิดอันไหนมันคิดแล้วทำให้ใจเราสะเทือนอันนั้นแสดงว่าไม่ดีถ้าความคิดอันไหนคิดแล้วใจเราไม่สะเทือนแสดงว่าความคิดนั้นดี คำถามจากคุณติงบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาทดแทนอย่างไรคะบางคนบวชเจ็ดวันแล้วได้อะไรบวชศึกมาไม่ดูแลบิดามารดาอย่างนี้เรียกทดแทนหมดแล้วหรือยังคะความคิดเห็นส่วนตัวดิฉันบางคนไม่ได้บวชแต่เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีแบบนี้ดิฉันว่าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าการบวชเสียอีกนะคะ คือการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันไม่ใช่มีวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นการเลี้ยงดูบิดามารดาก็เป็นการทดแทนอย่างหนึ่งการบวชนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณได้อีกอย่างหนึ่งแต่เป็นคนล ะ, ละต่างลักษณะกันคือถ้าเราเลี้ยงดูบิดามารดาเราก็ดูแลร่างกายของท่านให้อยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าเราบวชเราก็จะดึงให้ท่านเข้าวัด เพื่อท่านจะได้มาทําบุญได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมท่านก็จะได้รับดูแลทางด้านจิตใจที่มีความสําคัญกว่าทางร่างกายดังนั้นถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เราก็ต้องบวชไปนานๆเพื่อพ่อแม่จะได้มาวัดมานานเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพ่อแม่ได้บรรลุเป็นพระสวสดาบาลเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้เราได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้หมดไป แต่ถ้าก่อนนั้นแล้วถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันนี้ต่อให้เราเลี้ยงดูท่านดีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณของท่านให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณจริงๆการบวชนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะดึงให้พ่อแม่ได้เข้าวัดได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไดอย่างที่พระพุทธเจ้าด้วยทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาทรงสอน พระพุทธมารดาให้บรรลุเป็นพระสวสดาบัรและทรงสอนให้พระพุทธบิดาได้เป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าท่านได้มาบวชแล้วท่านได้ศึกษาท่านได้รู้จักวิธีทําคนให้เป็นสวสดาบรรทําคนให้เป็นอาหารหันต์นั้นพูดตามหลักของความจริงแล้วการบวชนี้ทดแทนได้แต่ไม่ใช่บวชแบบสมัยนี้ทดแทนแบบสมัยนี้มันทดแทนแบบเป็นพิธีบวชสามวันเจดวัน แล้วก็เรียกว่าได้ทดแทนบุญคุณแล้วอันนี้มันไม่ใช่มันต้องทดแทนแบบที่ว่าต้องทำให้มันเกิดผลขึ้นมาบวชไปจนกับพ่อแม่จะหลุดพ้นได้เป็นพระโสดามันถ้าจะค่อยสึกก็ไม่ว่าอย่างนี้เราเรียกว่าบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่จริงๆงหมดได้ทีนี้คำถามของทางวันนี้ถามสดต่อได้เลยนะ ถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ส่งข้อความมาได้ในตอนนี้กับเรียนพระอาจารย์ครับคือผมจากที่ได้ฟังเทศหลวงพ่อเทศเกี่ยวกับเรื่องกายและจิตว่าถ้าร่างกายแตกสายไปแล้วจิตก็พึ่งกายไม่ได้ที น, นี้ผมจับใจความได้ว่า ถ้าอย่างนั้นแล้วกายกับจิตนั้นก็เป็นคนละอย่างแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากายกับจิตนั้นเป็นคนละอย่างเพราะการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ทางโลกก็จะบอกว่าความคิดหรือจิตนั้นก็คือสมองถ้าร่างกายตายสมองก็ดับความคิดก็ดับไปเป็นธรรมนองนั้นแตเ่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นกายกับจิตนั้นเป็นคนละอย่าง ก็ต้องปฏิบัติสมาธิหนึ่งเลวลาเราปฏิบัติสมาธิจิตสงบจิตกับกายจะแยกออกจากกันแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่ากายเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเรามีวิธีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์เรื่องกายกับจิตได้ต้องพิสูจน์ตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพิสูจน์ก็คือนั่งสมาธิทําใจให้รวมพอใจรวมแล้วใจมันก็จะแยกออกจากร่างกายไป เข้าใจไหมเข้าใจครั บ, รบแล้ววิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความจริงของจิตกับร่างกายได้ต้องพุทธศาสตร์เท่านั้นเชิญครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปเป็นคำถามจัดทาง Facebook Live นะครับจากคุณปอมปณีนะครับ หนูมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คือหลังจากสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วก็ได้เรียกบุตรสาวเข้ามานอนด้วยกันเพราะว่าเกือบจะตีหนึ่งแต่ลูกสาวยังคงไม่นอนเข้ามาเล่นโทรศัพท์ก่อนลูกจึงล้มตัวลงนอนพร้อมบริกรรมพุทโธไม่นานนักเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นลูกเองได้ลุกไปดูและตีที่แขนบุตรสาวด้วยความโกรธแต่ในขณะนั้นเอง ลูกเห็นกายตัวเองยังคง น, นอนหลับนิ่งเลยตกใจนี่คือสภาวะใดเจ้าคะพระอาจารย์เกิดขึ้นลักษณะนี้สองครั้งแล้วที่เห็นกายตนเองแต่คนละรูปแบบกันก็ <ste ff> <writing> เป็นอาการของจิตเพ้อฝันไปเหมือนกับฝันเครื่องหลับเครื่องตื่นความจริงร่างกายก็นอนอยู่เพียงแต่จิตมันฝันไปว่ามันลุกขึ้นไปตีลูกสาวท่านั้นเองรู้แล้วก็ปล่อยวางไป ไม่ต้องไปสนใจคําถามข้อต่อไปจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับจิตลูกได้ยอมรับและละเลื่องกามราคะเลื่องร่างกายทรัพสมบัติอีกทั้งได้ยอมรับว่าจิตคือต้นเหตุของทุกอย่างและหลังจากนั้นลูกได้เข้าสมาธิพิจารณาที่ใจแต่กลับพบว่าความว่างเปล่า ไม่เห็นแม้กระทั่งใจตัวเองลูกอยากขอให้ท่านอาจารย์แนะนำแนวทางว่าลูกจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรคือการปฏิบัตินี่ก็เพื่อให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเรายังมีความทุกข์กับเรื่องใดยอยู่เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นทุกข์เพื่อปล่อยวางเขาให้ได้เพื่อให้ใจเรานี่สงบอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งนั้นคําถามข้อต่อไปจากคุณไกรลินนะครับคุณแม่ผมมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากครับบางครั้งก็พูดกับผมว่าต้องเชื่อไว้บ้างแต่ความคิดค่อนข้างขัดแย้งกันครับผมอยากให้คุณแม่เปลี่ยนความเชื่อทางไสยศาสตร์ลบกวนพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับคือการจะไปเปลี่ยนความเชื่อของใครนี่มัน เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายและเราต้องมีความฉลาดมีความสามารถมากถึง่จะสามารถเปลี่ยนได้และบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้ากับคนบางคนพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดความเห็นของเขาได้บางคนท่านก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าคนนั้นจะเป็นคนในลักษณะแบบที่ยอมเปลี่ยนหรือไม่ยอมเปลี่ยน ถ้าเป็นพวกแบบที่ไม่ยอมเปลี่ยนก็อย่าไปเปลี่ยนให้อย่าไปพยายามทําให้เสียเวลาแต่บางคนนี้เขาถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากแต่พอเราสแสดงเหตุสแสดงผลให้เขาฟังเขาก็เปลี่ยนได้อย่างนั้นมันไม่แน่นอนว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้ไม่ได้ก็ลองดูลองพูดกับเขาดูด้วยเหตุด้วยผล ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ถือว่าเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าเราไม่มีความสามารถไม่มีอุบายวิธีที่จะทำให้เขาเปลี่ยนได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปก่อนจนกว่าเขาจะไปพบกับคนใดคนหนึ่งที่สามารถที่จะพูดแล้วทำให้เขาเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้คำถามข้อต่อไปจากคุณจักรพลนะครับผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคแต่ไม่ได้เป็นผู้ฆ่า ถือว่าบาปหรือเปล่าครับถ้าสัตนั้นต้องเอาไปถูกฆ่าต่อไปก็ถือว่ามีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากชีวิตของผู้อื่นท่านถึงสอนว่าอย่าไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสิ่งที่มีชีวิตถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไม่ได้ฆ่าแต่เราเอาไปขายแล้วเขาก็เอาไปฆ่าต่อมันก็เป็นการขบวนการอันเดียวกันก็ไม่ควรจะทำอาชีพเหล่านี้แต่เราไม่ได้ฆ่าเราไม่เป็นบาป แต่เรียกว่าเร า, ปารเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นไค่าเราก็มีส่วนเพราะว่าเราได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของผู้อื่นคำถามข้อต่อไปจากคุณจิตตานะครับการทิ้งภาระการเลี้ยงดูบุตรสองคนไว้กับพ่อลูกดูแลคนเดียวโดยที่เราออกไปปีวิเวกเพื่อหวังบรรลุธรรมแบบนี้ผิดศีลไหมคะ ศีลมันไม่เกี่ยวกันนมันไม่ได้มีข้อไหนที่ผิดไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดอะไรนี่การที่เราฝากลูกของเราให้กับผู้อื่นถ้าผู้อื่นก็ยินดีที่จะรับภาระนี้ให้กับเราเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้ไปปฏิบัติธรรมมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหมือนกับที่พระเจ้าฝากลูกฝากภรรยาไว้กับบิดาให้ดูแลให้เลี้ยงดูอันนี้ก็ไม่ได้มีความเสียหายตรงไหน ภรรยาก็ยังมีการดูแลลูกก็มีผู้ดูแลอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่บาปแต่อย่างใดคำถามข้อต่อไปจากคุณพัทนะครับคนโสดคนแต่งงานมีคู่คนที่แต่งงานแล้วอย่าล้างเหตุผลทางธรรมะคืออะไรคะก็อ น, นี้จะเลยไม่แน่นอนลกักตอ น, นนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็เกลียดกันกอนกันก็อยากัน วันนั่นแหละยังขับอาจารย์เพลินพอดีเยอะ <c oughs> คำถามทั้งคอมเมนต์แล้วก็อ่าคำถามก็เลยเรืองต้องเลือกเึ็นไปเลยเครับใจเย็นๆไม่เป็นไรไม่รีบร้อนครับคุณกิ่งนภานะครับอาถามว่าหนูเข้ามาปฏิบัติธรรมมาช่วยงานในวัดแต่แม่หนูไม่อยากให้มาต้องทำยังไงคะก็ชวนแม่มาด้วย คำถามข้อต่อไปชกุณสาสินนะครับขอโอกาสเรียนสอบถามครับผมได้เดินจงกรมด้วยวิธีดังนี้ 1. ยืนพนมมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพ ร, รพระอริยะสงฆ์เจ้าก่อนเดินเดินจงกรมสองเริ่มเดินจงกรมโดยให้ใช้ความรู้สึกว่าเมื่อก้าวเท้าซ้ายพุธก้าวเท้าขวาโถไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่ามีสติเพิ่มขึ้นครับส จากนั้นพอรู้สึกว่ามีสติอิ่มนานพอสมควรจึงพิจารณาเกษาโลมานขาทันตาตโจย้อนไปกลับครับตอนทำแรกๆผมก็ยังไม่คล่องไม่เห็นภาพชัดครับแต่ก็พยายามทำบ่อยๆจนคล่องขึ้น4จากนั้นก็พิจารณาทั้งหมดลงไตลักครับ5ผมใช้เวลาเดินจงกรมประมาณครั้งละหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมง6 เมื่อเดินจงกรมเสร็จผมก็ไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริ ย, รยสงฆ์เจ้าและแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลครับผมขอโอกาสเรียนขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ครับการกระทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญปัญญาแต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะยังทำจิตให้รวมไม่ได้ เป้าหมายของการเจริญสติการเจริญปัญญานี้เพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบดังนั้นหลังจากที่เราเดินเสร็จแล้วก็ควรจะไปนั่งสมาธิต่อเวลานั่งจะใช้พุทโธก็ได้ใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะใช้อาการสามสิบสองก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้แต่อันไหนที่มันใช้แล้วจิตไม่รวมก็อย่าไปใช้มันหาใช้อันที่มันทาให้จิตรวม เวลาจิตจะรวมนี้มันมักจะต้องการอารมณ์เดียวมากกว่าการพิจารณาฉนั้นคนจะใช้พุทธโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกน่าจะเหมาะกว่าเพื่อที่จะทำให้ใจสงบอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญอาณาปณะสติเวลานั่งสมาธิพระเจ้าทรงสอนว่าให้ดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้พิจารณาอะไรจิตถึงจะรวมเป็นอาาสมาธิได้ส่วนการพิจารณานี้เพื่อให้จิต เห็นความเป็นจริงเพื่อที่จะตัดตัญหาความอยากต่างๆเราจิตจะได้ไม่ต้องทุกกับเรื่องราวต่างๆอันนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนแรกที่เราต้องการก็คือสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนเมื่อเราไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถใช้ปัญญาตัดกิเลสตัญหาได้แต่เราต้องสร้างสมาธิสร้างอัปปนาขึ้นมาสร้างวิอุเบกขาขึ้นมาเมื่อเรามีอุเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็ใช้ การพิจารณาตายรักเพื่อให้เราตัดกิเลสตัณหาถ้าเราเห็นตายรักเรามีอุเบกขาเราก็จะตัดได้ถ้าเราเห็นตายรักแต่เราไม่มีอุเบกขาเราก็จะตัดไม่ได้เน้นขั้นตอนแรกที่เราต้องทาให้ได้ก่อนก็คือทำจิตนวมให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนคําถามข้อต่อไปจากคุณหญิงนะครับโยมส่งข้อความธรรมะที่พระอาจารย์สุชาติสอนว่าคนฉลาดรู้ว่า ตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ให้น้องสาวอ่านน้องสาวถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าตายแล้วมีการเกิดใหม่โยมอธิบายให้น้องฟังว่าวันพรุ่งนี้มีอยู่จริงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นด้วยตาชาติพบหน้าที่เรามองไม่เห็นก็เช่นเดียวกันแต่น้องยังไม่ค่อยเข้าใจคะ่ะน้องบอกว่าเหมือนกับการใช้เงินหมดเท่ากับหมดไปไม่มีอีกโยมขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยคะ่ะ คือเราต้องนั่งสมาธิเท่านั้นเราถึงจะเห็นตัวที่ไปเกิดต่อคือตัวจิตแต่เรานั่งสมาธินี้ตัวจิตจะแยกออกจากตัวร่างกายเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเวลาไม่มีร่างกายตัวจิตนี่ยังมีอยู่คือตัวรู้ยังมีอยู่แล้วตัวรู้นี่แหละที่จะไปไปหาร่างกายอันใหม่ยั้นสิบปากว่าก็ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเรื่องอย่างนี้นี่พูดไปจนปากเปียกปากฉีกมันก็ยังไม่สามารถเห็นได้ ผู้ที่อยากจะรู้อยากจะเห็นจะต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิเท่านั้นคำถามข้อต่อไปจะกุนอาจนุวัตนะครับเวลาจิตใจเป็นทุกข์แล้วหนีไปออกกำลังกายให้เหงื่อออกมันก็ทำให้มีความสุขเกิดขึ้นการทำอย่างนี้สำหรับนักภาวนาถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาถูกต้องหรือไม่ครับมันก็เป็นการออถอยหรือหนีปัญหาชั่วคราว เวลาเราทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วเราลืมมันอย่าไปคิดถึงมันมันก็ทําให้เราหายทุกข์ได้เช่นการเข้าสมาธินี่ก็เป็นการหลบและหนีความทุกข์ไว้ชั่วคราวเพราะว่าเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงพอเราออกจากสมาธิมาแล้วกลับไปเจอปัญหานั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้อีกถ้าเราต้องการกําจัดปัญหาให้หมดไปเราต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาสิ่งที่เป็นปัญหาว่าเป็นตายราก เมื่อเห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะปล่อยวางความอยากของเราเมื่อเราปล่อยวางแล้วปัญหาคือความทุกข์วุนวายใจก็จะหมดไปคำถามข้อต่อไปจากคุณพันธสวัสด์นะครับต้องทำจิตสงบเป็นอุเบกขา น, านานเท่าไหร่ถึงจะออกมาพิจารณาทางด้านปัญญาได้ครับแล้วต้องพิจารณาทางปัญญานานเท่าไหร่ถึงจะกลับมาเข้าสมาธิให้จิตสงบอีกรอบ ก็เวลานั่งสมาธิก็ปล่อยให้มันนั่งสงบให้นานที่สุดตามกำลังของสติที่มีอยู่ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถ้ามีสติน้อยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานถ้ามีสติมากมันก็จะอยู่ได้นานอันนี้เราไปบังคับไม่ได้เราก็นั่งไปใช้ ส, ใชสติประครับพอคองอุเบกขาให้มันอยู่ไปนา น, น, าน จนกว่าตันหาความอยากมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงมันก็จะดันความคิดขึ้นมาพอเราออกมาเราก็ต้องเอาความคิดนี้มาพิจารณาทางปัญญาถ้าเราพิจารณาตอนออกจากสมาธิใหม่ๆจิตมันยังเย็นยังสบายเราก็สามารถพิจารณาทางปัญญาตามความเป็นจริงได้แต่พอพอจิตเริ่มร้อนกิเลสเริ่มออกมาเพ่นพ่านมันก็จะให้เราพิจารณาไปทางกิเลส พอมันพิจารณาไปทางกิเลสมันก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ใจเกิดความสับสนขึ้นมาเราก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วกลับเข้าไปทำสมาธิใหม่ไปทำใจให้เย็นให้สงบให้สบายให้เป็นอุเบกขาใหม่แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่เราต้องสลับทำกันแบบนี้ไปเหมือนกับที่เราเอาน้ำก็ไปแช่ในตู้เย็นพอเราเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆ ม, มันก็เย็น แต่พอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งความเย็นมันก็จะค่อยๆหายไปพอมันไม่เย็นแล้วเราก็ต้องเอาน้ำกลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่ทัในใดจิตของเราก็อย่างนั้นเหมือนน้าเวลาอยู่ในสมาธิก็จะเย็นจะเป็นจิตที่มีเหตุมีผลจะมองตามความเป็นจริงจะมองตายรักแต่พอจิตมันเริ่มร้อนด้วยอำนาจของกิเลสตันหาความหลงแล้วมันก็จะเริ่มไม่ยอมมองตายัก มันจะเริ่มขัดกันมันจะเริ่มทะเลาะกันเถียงกันเราก็ต้องหยุดมันแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่คำถามข้อต่อไปจากคุณพรนะครับหากมีคำพูดของบางบุคคลว่าอาจจะได้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นอาจเป็นหมอดูหรือชี้แนะแต่ตนเองยังไม่รู้ว่าคืออะไรควรทำอย่างไรดี ก็ฟังหูไว้หูพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าใครก็จะพูดอะไรบอกอะไรอย่าไปเชื่อทันทีทันใดเราต้องเอาไปพิสูจน์ก่อนดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นตามที่เขาพูดหรือไม่อย่าเป็นแบบกระต่ายตื่นตูมพอนอนอยู่ใต้ต้นตาลพอลูกตาลหล่นลงมาก็คิดว่าเป็นแผ่นดินถลม่มก็เลย เตลิดเปิดเปิงสัตว์ตัวอื่นได้เห็นกระต่ายวิ่งเตลิดเปิดเปิงก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวตัวอื่นก็เชื่อกระต่ายก็วิ่งกันไปหมดจนไปเจอราชสีที่มีมีปัญญามีเหตุมีผลก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าแผ่นดินไหวราชสีก็บอกมันไหวตรงไหนวะพาไปดูหน่อยสิไอกระต่ายมันก็กลัวทั้งราชสีกลัวทั้งแผ่นดินไหว ดันใจเองก็ไม่อยากจะกลับไปดูแต่ก็กลัวเดี๋ยวราชสีจะกัดกินมามันก็เลยต้องไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอไปถึงราชสีก็เห็นลูกตาลหล่นอยู่นี่คือสิ่งที่เราควรจะใช้เป็นอุทาหรณ์เวลาใครเขาพูดอะไรกับเราเราอย่าไปเชื่อทันทีบางคนนี่เขาฉลาดเขาจะหลอกอะไรจากเรานี่เขาชอบมาพูดหวานๆกับเราโอ้ยคุณดีอย่างนั้นคุณสวยอย่างนี้ เชื่อเลยเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวขอยืมเงินนะพอยืมเงินก็ฝืนกลัวเขาจะเสียใจก็ต้องให้เขาไปเกรงใจเขาเพราะเขาดีกับเราคำถามข้อต่อไปจากคุณนานะครับเวลาลูกสวดมนต์สวดครั้งละสองชั่วโมงทำไมสวดได้แต่เวลาจะนั่งสมาธิกับนั่งไม่ได้นานต้องทำอย่างไรดีคะถึงจะทำให้เรานั่งนา น, น, าน กเบื้องต้นก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนพอเราสวดไปสักระยะหนึ่งแล้ว ร, รู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดเราก็อย่าเพิ่งเลิกแสดงว่าจิตเราอยากจะเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็ลองนั่งดูนั่งสมาธิต่อไปนั่งดูลมหายใจต่อไปเวลาสวดนี้เราควรจะนั่งสวดแบบหลับตาจะดีกว่านั่งขัดสมาธิเหมือนแบเรานั่งสมาธิเราสวดก็สวดไปภายในใจ สวดไปจนรู้สึกว่ามันเย็นสบายอยากจะหยุดสวดเราก็หยุดแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อไปแล้วเราก็จะนั่งสมาธิได้นานขอแจ้งทางผู้รับชมทาง Facebook Live ให้ยุติการตั้งคำถามก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คำถามขาดหายนะครับคำถามข้อต่อไปจากคุณอำพลนะครับพ่อผมเสียไปสิบกว่าปีแล้ว แต่เมื่อคืนนอนฝันเห็นพ่อมาหาแสดงว่าพ่อยังเป็นห่วงผมอยู่หรือเปล่ามันเป็นได้ทั้งสองอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความคิดของเรามากกว่าเราคิดถึงท่านแล้วก็คิดไปถ้าเป็นพ่อมาเยี่ยมเราจริงๆเราต้องคุยกันได้เราสามารถที่จะคุยกับดวงวิญญาณได้เช่นเวลาเขามาเยี่ยมเราแล้วก็ถามสารททุกสุขดิบว่าเป็นยังไงไปไหนมาอยากจะให้ช่วยหรืออะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีการสนทนากันแบบ แบบสดๆอย่างที่เราสนทนานกันตอนนี้ก็คิดว่าเป็นการคิดปุงแต่งของเราความเพอ้อฝันของเราไปแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าเผื่อไว้เราก็ทาบุญพ่งตอนเช้าแล้วก็ไปใส่บาตรอุทิศบุญให้กับท่านไปก็แล้วกันคำถามข้อต่อไปจากคุณลานทุ่งสงผ้าม่านนะครับดิฉันปฏิบัติมาหลายปีแล้วแต่จิตยังฟุง้งรวมสมาธิไม่ได้เลย เกิดจากสาเหตุอะไรคะเพราะสติมีกําลังไม่พอนั่นเองเราต้องมันเจริญสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเราต้อง ฝ, ฝึกสติไปเรื่อยๆทั้งวันเวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทํางานก็ใช้พุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธินี้มันจะนั่งได้นานจิตจะสงบได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณประพาพันนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องเปลี่ยนจัดนั่งขัดสมาธิมานั่งบนเก้าอี้แทนนั่งไม่ได้นานเหมือนขัดสมาธิมันเกี่ยวกันไหมคะก็มันก็ช่วยไม่ได้ถ้าร่างกายมันไม่สบายก็ต้องเปลี่ยนเนียริยบทที่นั่งนานไม่นานมันก็ไม่ด่ที่ท่า น, นั่งเป็นหลักมันอยู่ที่สติเป็นหลักมากกว่าถ้าเรามีสติมากเรานั่งอยู่ในท่าไหนก็ทาให้จิตสงบได้เหมือนกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณพรวิทยานะครับขอถามวิธีตัดความกลัวในวงเล็บจิตหลุดสําหรับผู้เริ่มปฏิบัติกลัวอะไรกลัวจิตหลุดหนระือ ว, ว่ากลัวอะไรกลัวจิตหลุดครับพรอาจารย์ก็ต้องบอกว่าจิตไม่มีวันหลุดยสิ่งที่จะหลุดก็คือสติงั้นขอให้กลัวสติหลุดเพราะถ้าสติหลุดก็เป็นบ้าได้เหมือนกับนอดหลุดเวลาคนที่โกรธมากๆานี่แสดงว่าสติหลุดแล้ว วิธีที่จะทําให้สติไม่หลุดก็คือต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้มีสติกประคับประคองใจแล้วถ้ามีปัญญาด้วยยิ่งดีถ้าไม่มีปัญญาบางทีมันก็ไม่ไม่พอจิตก็ยังหลุดได้เวลาเจออะไรที่รุนแรงขึ้นมาสติถ้าไม่มีกําลังพอบางทีบางทีมันก็หลุดถ้ามีปัญญามันก็อาจจะช่วยได้ เ น, นถ้ามีทั้งสองอย่างได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้ามีปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปก่อนเวลารู้สึกว่าจิตดาเริ่มไม่ดีแล้วเราก็ไปรมพุโทโธให้ทีอย่าไปสนใจกับเรื่องที่ทำให้จิตใจเราหวั่นไหวคำถามข้อต่อไปจากคุณสันทิดานะครับหนูทำงานอยู่ต่างประเทศงานมั่นคงเงินเดือนดีแต่ยิ่งอยู่หนูรู้สึกว่ากิเลสในใจมันมากขึ้น หลายทีที่จิตใจอ่อนแอจนทำความไม่ดีเพื่อร่วมงานไม่มีใครคิดเชื่อเรื่องกรรมคำถามนี่เป็งแต่คำคาเหมือนคำบอกเล่าครับอ<ค>า <ำ S 1> จารย์อก่าเาาว่าถามหรือปางครับคำถามข้อต่อไปจะคุณปริยานะครับทำสมาธิที่บ้านจะต้องสมาทานศีลก่อนไหมคะถ้าไม่สมาทานศีลแต่ละลึกรู้ตรวจ ด, ดูว่า สิลครบถ้วนดีแล้วเราก็ทําสมาธิได้เลยจะผิดไหมการสมาทานและไม่สมาทานนี้ไม่เป็นตัวศีลตัวศีลอยู่ที่การกระทําทางกายทางวาจาถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสกสุรายาเมาก็ถือว่าเรามีศีลแต่ศีลห้านี้ยังไม่พอที่จะสนับสนุนในการภาวนาเราต้องใช้ศีลแปดังนั้นถ้าเราจะภาวนาเราต้องถือศีลแปด คือเราต้องละเว้นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูมอหรสบบันเทิงต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่นอนบนที่ผู้หนาหนาอันนี้จึงเรียกว่ามีศีลไม่ต้องสมาทานก็ได้การสมาทานนี้เป็นเพียงการตั้งใจว่าวันนี้เราจะรักษาศีลแปดก็เรียกว่าเป็นการสมาทานเมื่อสมาทานแล้วก็ต้องทาตามที่เราสมาทาน ถ้าเราสมารานแล้วเราไม่ทาตามมันก็ไม่มีศีลอยู่ดีเป็นคำถามสุดท้ายในวันนี้นะครับเนื่องจากเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะครับนั่งภาวนาพุโทโธแล้วจิตรวมสงบดีแล้วแต่ยังรู้สึกตัวและได้ยินเสียงภายนอกแต่จิตไม่ตามบางครั้งจิตที่คิดนูน่นนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆพอรู้ตัวก็กลับมาเริ่มพุโทโธอีก ลูกควรปฏิบัติอย่างไรต่อไป <S <S ก็ควรจะทำอย่างนั้น่ะควรจะทำพุทโธไปถ้ายังมีความคิดปรุมแต่งอยู่ก็อย่าปล่อยให้มันคิดพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าความคิดหายไปแล้วจิตสับแต่ว่ารู้ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่รวมจนกระทั่งทุกอย่างหายไปยังรับได้ยินเสียงอยู่แต่จิตไม่ไปมีปฏิกิริยากับเสียงก็ไม่เป็นตัญหาอะไรขอให้จิตเป็นอุเบกขาสงบเนื่งเฉย ถ้าไม่นิ่งมีความคิดก็ควรจะภาวนาต่อไปคิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดรายงานเข้ามาได้นะว่าเป็นยังไงผลจากการได้รับฟังวันนี้ ชัดไมมชัดเสียงภาพและคำถามเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์